สองสามวันไปชุ่มกันเทีย่ยวหนึ่งแต่ท่านไม่ได้ต่างกดไว้เมื่อคนผอมเพียงกันขึ้นไปฟังเทศก็ได้ซุ่มลดปีที่สองมาสี่วันก็นมี่เก็วันก็นมี่ปีที่สามมา เจ็ดวันหาวันก็นมีปีที่สี่มาท่านป่วยหลายพน่นจารมหาวะสิพหามือก่อนเถอกวระสัตร์เพิ่นก็บม่ได้ตั้งหลวงปู่หมันก็บม่ได้ตั้งเดี๋ยวแต่กรณีของมูขึ้นไปหลายเพื่อระเทศโลด สิบสิบห้ามังเกจั่งไปพเพราะพ้นกับป่วยร้ายหลงสลาหลวงปูหมันเทตําไปหาสูงเทตกสูงลงมาหาต่าซับไปซับมาเทศในเรื่องสมาธิ ถาติดอยู่ในสมาธิและสอนให้วิจารถ้าวิจารมันถี่ปุ่งซ่านหลายสอนให้สงบในสมาธิพิกไปพิกมาสาวไปสาวมาคือหนักมว่ยนี่ถอยออกถอยเข่าอยู่จังสักเรื่องคอวัดทั้งหลาย จำกัดเต็มที่ชั้นตะวัดล่งไฟสวมเซนาชนะถูกบอนจำกัดที่สุดลวงปูมันสุกะปกบอลรต้องปัดต้องกวดลงไฟไปเฮ็ดเฮียไปขึ้นนึบนบ่ลอะรต้องให้สะอาดเป็นต้นอยู่วงชล่ะ ถาไปฟันใหม่ฟันลายไซผู้นําต้องเก็บออกตั่อให้เป็นเรื่องของผู้อื่นบัตรบัตรหา ย, า ย, ายโดดแล้วใหม่สีฟันคือกันเราใช้น้าวัดน้าว่าเลยเบกเก็บออกปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้อื่นต้องถือออกประเทศหลักผู้อื่นรักษาพวกสงบก่อนไปปัดซัคให้เพิ่มเลยสี่ตัว ขอวัดเรืองเสนาสนะวัดเรืองภาวนาวัดคัดเค็งไปก็หลวงปู่มหานี่อีกหลวงปู่มหายัางอนุโลมอยู่อันเฮานี่มันสามันนกที่ว่าพื้นขอวัดหลวงปู่มหมั่นัล้วค่ะแม่ดูฟ้าก็ยังเห็นดาวริบรี มันจิง่เห็นอีกแค่รวยคนพราะหลวงปู่หมันเมื่อในสู ง, งสิงกับญาติโยมมากคือสมัยทุกวันนี้มาถือเวลาก็ได้ว่าถือเวลากับคับนี้เลยมากําลังปัดตาดนี่แหละสาคัญทึงเวลาปัดตาดก็ดีทังเวลาสงหนา้าก็ดี ถึงเวลาไปบินทบารกดก็ดีทีมาควงยี่เบลแขกมาตะไก่ประเทก็ตามบอกออกกลับสำคัญมากอันนี้เหล่ามูเข้าเสมือเนี่ย ก็นับมือสวยไปละหา้งหัวหั้งตะกวดท้างแลนจะาไรคือสมัยมแต่เกากับ่กคือแล้วบ้านเมืองกับ่กคือเกาความเห็นของผู้นั่งหน้ะแต่ละบอนแต่ละบอน ก็ยุ่งัาลงมากแต่ละสำหนักสำหนักก็ได้ใช่ห้คือสมัยยุน้ำเพินก็บ่กคือปันญาแล้วตะกอนโกงตัวเวลาเทะสมัยทุกวันนี่อ่างว่าสมัยเศรษฐกิจพระว่าท้ำเอาบ้างไม่ได้ ไม่เหมือนแต่ก่อนมักจะอ่างกันอย่างสิหังแมนหักบอมแมนถูกหักบัตถ ก, ก, ถ, กถ้าสมัยแต่ก่อนจะเอามาสมัยแบบแต่ก่อน นีกัวดีกัวของหลวงปู่หมันนี่ักเร้าเถือของกุฏีไผกระต่องเห็นเหมือนกันนี่กุฏิหลวงปู่หมันก็มุ่งเปมุ่งกระดานมนีก็ัดนินมดอ้ทูดอกอนีก็นี่ตตู ในบ้านภาพก่อยจริงแต่เป็นปรกตูโบราณตีไม่กระตาติดเหนี่ยวเนี่ยในบ้านน้องพื้ก็มีกุฏิเพียงยี่สิบหลังมัดแห่งถนนลงปูยี่สิบหลังเป็นมุ่งกระดาน ของงปูมมหาทอหลังทอหลังของมันพูนอะทอหลังสุดๆพูนแต่หงางวดีจังสักมุ่งแป้นมายด์มายเย็ดวบาสูงปันน่ะต่ำเยี่ยมมาลึงปึงปัง แล้วของอาจารย์วันมุงแปดขึ้นบนเก็บของส่งจังกุดคุณชิดนี่แหละมีสองห้องในน้อยหล้วอของอาจารย์คุณพ่อประยูรมุงแปด หน่อยซ้ำเดียวก็ฮะก็พออาจารย์วันหน่อยกว่านั้นซ้ำหอมอาจารย์มหานะเน่ะเหลือนอกนั่นปูฟ้ามุ้งเปตรงกอมุ้งหยาค่า แบบต้องก่อกั้นฟ้าแบบต้องก่อฟ้าเถบตองแบต้องก้องเป็นไรซําซาลาเนี่มุ่งห้องก่วงอยู่บนหงลินมุ่งงานได้ก็ะมีป่วนกันซารพัด โขนเนี่ยเนี่ยบมีมดวัดมีกระโถนทองใบเดียวของหลวงปู่มันก็อบอกมันแคบบ้านเม่ได้แจกอาหารนอนไว้แจกอาหารเสร็จจึงตังขึ้นได้ พอเหยียบสาระฝักคุกคักคุกคักมันหล่นทุกวันนี่มีมติว่าเหยื่อจะไปมุ่งหงาอยู่ดั้งตะเกาแล้วมองดูอันนี้ยาสิมุ่งจริงอยู่ไม่แง่ยุ ถึงแล้วดูเดือนกุมภาพันธ์ก็ต้องหยุดกุฏีกันนาเหมานาม่อม้าเหมือซีเหมือทั้งแหลวทุกแต่เวลาทัานก็เปลี่ยนหลายเพราะท่านพระสงฆ์เพราะเป็นน้องหัวหนา้า นาแข้งมันบระโจนทังน้าปรีแข้งมันไม่โตข้างหน้ามันโตข้างหลังแล้พูดแต่เรื่องเก่ามาเป็นตัวอย่างเรื่องใหม่ๆในอนาคตหรือปัจจุบันไม่ค่อยได้พูด ว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะเกงอำนาจวาสนาของโอทันถึงมีกับปัดปัดปลายปลายไม่รุนแรงถูกล้วงปูมหาปล่อยสังสรร์ให้ซะแล้วก่ะเงียบสงบไป เพรครูมือพันดีเด้หลวงปูมันผู้เป็นมือขวาสลาดที่สุดมาให้กระทบกระเทือนหลวงปูทุกสิ่งทุกอย่างส่วนส่วนส่วนรัดเลยรัดเลยรัดเลยเม่พวกผมมาให้ยเน่ยบอกห้ท่านแต่ห้ามน้ำดอกหลวงปูมาหาพวกผมหามออกแต่องค์ท่านไม่ปะไม่ไม่ทิง จนเวลามูตักน้าองค์ท่านต้องไปเฝอยุสากค่อยเบิงมูค่อยเทค่อยอยังซอยมูองค์ไหนไปถ้ำขนาดใดองค์ไหนว่าเอาใจใส่ขนาดใดยื่นในภาพพธขององค์ท่านเป็นมือขวัวเบิงคันบอกสองเทือ่อสามเทือ่อบอเศ้าแล้วถ้าบอกสองเถื่อสมเทือ่อพระก่อพระขอ น่อมโดยยุทธต้องถึงเพลนกันถึงเพล่นน่ะลำบากเกย์ยากโดยจำเป็นพิษกันเล็กๆน้อยๆยาพใายคู่บาอาการได้ยินหลวงปู่มหาหายใน ยื้อบ้านหน้ามุ้นปล่อยให้ท่านวิริยังเขา้าใกล้ครูบาอาจารย์ไผ่พิษขอหลอกก็ไปซ่อเพ่นไผ่พิษเทเละก็ไปซ่อเพ่นขันเถงพระบอลลมราซาแหละเข็มดวงเดียวมันกระตัดหัวไดเพ่นวายยังทีอุ ป, ปมา เมื่อควนให้ถึงลดบัสสงบจับเือวะ่นขันหท่านวิริย่งเขาให้ท่านวิริยังเขาใกล้คู่บาอาการยะซ่ซอขอหลอซ่อเขลเลวะเช่นนื้อะแะจิตแหกล่าสามคัคคีกันพระวะเช่นเนี่ยมันเหลือวิสัยจังให้คู่บาอาการขุกจับ ต้องปัดต่องปายกันไปเพลินลำบากมันบ่ได้เเพท่นจะมาหาข้อยศนเพทบบอทะเลาะบ่เว่งกันมื่ได้เรียกในน้อยคัดของมองอารมณ์บ่ไดนต้องแก้ไขกันย้ายกระทบกระเทือนเพลินมันจังมาหลุกสิสลาดพนวลถึงสัตว์ถ้ามีความเห็นผิดชนิดใดก็ดีถ้าเหลือวิสัยจังให้ถึงเพน อันนี้ก็ะทึงพ้นโนลดอันนี้กระทึงพ้นโนลดเรื่องหุ้นพลนธ์ีเพิ่งก็ห้องขับวัดสันติฮะนี่ผู้หู้เบาก็เดือดร้อนที่ว่าผู้หลูกประสารเรื่องวงในเป็นของสำคัญการปฏิบัติพมอาจัน อยู่ครอบคู่ก็เหมือนกันปกค้องประเทศชาติก็เหมือนกันเรื่อง ว, วงในเป็นของสาคัญที่สุดถ้าวงในแตกกันแล้วโม่อรามักขี่ปองดองกันแล้วประเทศอื่นที่เขาเป็นปัจจามิตรก็มักจักสนเข้าได้สันไัคือกัน วงในของพระเป็นของสำคัญที่สุดวงในสั้นที่นึงคืออย่างคือจิตใจแต่ละท่านละคนวงในวงนอกไม่ออยังสำหรับมูเพื่อนที่อยู่ดัวงในเป็นสั้นที่หนึ่ง มูงเพื่อนที่ยูนําเป็นสั่นที่สองงานโนยมเป็นสั่นที่สามไปงานโนยมแตกกันว่าเป็นปัญหาขันพระมาแตกกันสั่ไหนคือกันประเทศอื่นลบล่าคาฟันกันก็นกบ่าเป็นปัญหาขอในประเทศจะแตกกัน ขันวงในเพ่เลมัดพระตูว์วงในสันที่สองมาสำคัญอยู่คือหมูเพื่อนวงในสันที่นึงคือเจ้าของขันเจ้าของหมัดสัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็มัดพระตูเพื่อนอันนี้สำคัญมากนะ ผู้อื่นเรียมสช่ศรัทธาใพระพุทธศาสนายังครอยู่ันเอามื่าได้เอาเจ้าของได้เอามูกับ่าได้เอาเจ้าของกับ่าได้เอาญาติโยมกับ่าได้นั่นมืดพักตันั่นเอามูอมาได้เอาญาติเอายมมาได้เอาเจ้าของให้มันได้เดี๋ยกววงไงสั้นที่หนึ่งวงในสั้นที่สอง ถึงวัดแตกแสแลกขาดภิกสุสง์จะทะเลาะว่ำแวงกันจักเพียงไหนกระตามถ้าคิดใจเล่ายังบ่ค่ายออกสัทธาออกจากพุทธศาสานาเล่าก็ไปหรอนี่ขอสำคัญเพื่นสิบว่าเลื่อมใสในพุทธศาสานามดไตโกกรคนนกระตาม ถ า, ากว่าเรายังเหลื่อมใสในพุท ธ, ธาศาสนาอยู่แล้วเของมีวิธีแล้วลึกคิดถึงโยห์หันละเพราะม่วมีไผเป็นเตะเจโตปลิ้นยะยานเสียมานถึงใจเขาได้แล้วเขาก็มีผลทางถ า, ากว่าเราขาดก้นเหลื่อมใสในพุทธศาสนาเสด็นท่านมดประตูมาทีนี่เราสจยืนยันว่าเราเห็นถ้ำ ขอมยืนยนของเห่าก็เป็นควอมเขาใจพิดไปคือกันล้ถอยหลังออกจากพระพุทธศาสนาโดยความว่าพ่อใจในบุคคลภายนอกหรือในสังคมก็ดีหรือในบุคคลเป็นบางคนก็ดีหรือในญาติในโยมก็ดีหรือในสมัยของโลกก็ดีที่นี่เราจะยืนยันว่าเราเป็นผู้เห็นธรรมควอมยืนยันอันนั้น เป็นโมกครับไหนๆก็าตามจะกความออกกายถวายชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ถูกวิธีทางใลึกใดบนเรื่องใดก็ดีจะตายย่อนหอบเงยอเงาวนอนไขยอนหนาวกะตามยอนสูกทรากกระซง ควมเก็บควมปวดทุรนทุรายก็ดีจะทุนถวายคุณ พ, พระพุทธพระธรรมพระสองฆ์มัดเลือดทุกยศก็จะถวายมัดขาดจองขาดนเรืใดเรื่องใดก็ดี ยักเอื้อตมีผู้ยินดีในกีวันมินทวาดตัมีผูห้หายท่านบัมีผู้ใส่บาดไทยมุ่ีผู้หาพผาลุงตัมีผู้หาทีนอนบัมีผูห้หาปัจจัยสี่การสิย่อมพระวนาตายต่อพระพุะทธธรรมผส์ เม่ไปบินทบาทใสมุยผูสยใส่ห้ยจะคนเหี้ยวเข่าจนตายกระสิยอมปฏิบัติแถมมันตายพุ่นในล่งป่านั่นนี้ขันว่าล่งป่านั่นเลวหม่ไหล้ละต้องสงสัยทีเดียว พอสิเปตื่นน้ำสมัยพอสิเปตื่นน้ำกาลพอสิเปตื่นน้ำว่าละอยู่หลดห้อยตื่นพันตื่นอยู่ขี่ออกดากระจิตตื่นเคลื่อนกับฟาดในหอกโกกโยนเส ว, ว่าตัวทึงมาพูดพระธรรมประสงค์มีไหมเน่าเมื่ล า, าเสียมหลักกระจิตตื่นออกจากพระศาสนาเน่าเมืเวลามีหลักจังสิงยินดีในพระพุทธศาสนาะ ย่ามยูดีไม่แห้งมากจิงเข้าวแทบนอ่นรับจังสิยินดีนะพระพุทธศาสนาย่ามเก็บย่ามปวดมากเราสิละอาลาถอยสิวา่าโตเห็นท้ำ ม, มั่นกะมีเมนมันขี่ตัวจะของเรื่องนั้นละเรื่องขูโนี่ออคอนี้เป็นคอสำคัญมากเตาป่อยเอาไฟจูดก้น ภัยบ่มีสัทธาสี่เอาสัท่าให้กออ็อุบายปุกเจ้าของปานั่นได้ทั้งหายได้เออตายบ่มีผูกเหมือนกระดูกหลังบ่มีผูกฝังกระดูกขางม้นตายยกกุดก็ตามม้นที่ตายโยนตอกห่วยห้าวเขาในหนทา่ากอตาม เงินสิตุกน้ามันเปื้อนกาปักปากรสิกินดอกเออขันทัวายผู้หูผู้เห็นตายยี่น้าขอกแค่แกทางก็ดีเว้ผู้เมี่ยนกระดุกหลังฟังกระดกขางกันอุบาซกอุบาซิกามูนอนมูนันนี้มูแมงวนมันมูนเนี่มค่อยหลับอยู่เฉื่องจังไหยกรสิยอบตายต่อพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยหมอกกายถวายชีวิต ทุกอย่างเลยเออจำสั่นแม่ออจอบตั้งแต่ทิศเกีเ่ยวหวานเกี่ยวหวานเนีย่ยหละว่าได้ยามพันเห็นคุณรพระพุทธธรรมประสง์ขักดอกยามพันวอกน้ำดีน้ำตูอ่อ้อเนออเนี่ยเปิดยังเหลี่ยมใสในพระศารชนะเออขันยามพันตาชีเขียวเขียวทะเลาอันเดือบเบือ เอออันนั้นสิว่าโตเห็นทํานี่แมนเด้ค่ะขันอิมผู้อื่นยาสุอิมเจ้าของเม้เบื่อผู้อื่นไยาสุเบื่อเจ้าของบลเลียมไสผู้อื่นให้เลียมไสความหวังเป็นวังตายของเจ้าของในพะพูดพรรมพระสงหันนี่ผู้렁<น>ค้นพายบาทไปเที่ยวเบิง พูนท่านโฮมคือกันนั่นแหละผมไปเทีย่ยวพายเที่ยวพายบาดเบิงมวยบนเป็นตะเหลืม่มใสจักบอลฉันผมก็ได้ซีซีก็ันเฮ้ยเจมันเจ้าจังมันนักสืบน้อฉันเลยไปเทีย่ยวหาเบงผู้อื่นมาแข่งกับตู่วะ วัดนั่นสีซ้ำกูว่าวัดนี่สีซ้ำกูสำส ว, ว่าวาซ้ำสีเทโตัวเรวเม่อจะเดินทางอยู่ตาดขั้นนึงก็บ่รยายกวดเดินยุ่งกลมก็บ่รยายเดินอหาลัางมือเขาก็บรรยาสันแนบาดหารัางมือฝ่าไหลายกับสันหัวเข่าเมื่อ จ, จะเดินทางไปเที่ยวหากวดบางคนว่ามันสิทอโตวา่วาวา่าทางไหนเราบอมีอยัางตายโคโลว่ จ้าเมียนเลยโตเฮียนมาแต่ใส่ว่ะอืมมาให้ตูว่าท่านดีไปเที่ยวพวกกวดบึงเพลนตัวกวดบึงวัดนันก็หนาวัดนี่ก็นนาที่ท่อกูบอเพราะวา่าไปวันไหนก็บท่อตัวจบับบอลเออมันบอท่อหลายก็เลยทีมพาดผ่าป้าน้ำเทียงขาดป้าน้ำเทียงทนแล้ววัาดเนี่ย อ, อ่อ เอาของมาแล้วตัวว่าท่านมีลักกิ๊บลักไก่ไปเที่ยวพ่บาทไปเที่ยวเพลงโทษผู้อื่นวาด่านปฏิบัติตูวบมีวะเออมันก็ข้าวิตดินเล้ยว่าผู้คิดผู้ใจตัวบ่มีวะว่าไงมันของแม้นวะ เชื่อนยาน่านเจ้าห่จานโฮมหังบ่ลงมันฆ่าคมว่างห่อหังบง่ปากก็ซื้อหังบง่ลงหวานห่อคนบ่เห็นไพ่ในวัดตาสงสาร คนไปเห็นเพื่อนตนวัตตาสงสารเหตุยังไงสิถึงทำงายเออเ ค, คนยังสิตสวงหากล่องสุกในวัตตาสงสารยังมาท่านเมนคนถึงทุกทำดอกเออ <c oughs> คนชิละสีข่ายในวัตตาสงสารผุนจังสีเห็นกล่องสุก ยังสิเห็นสุขในทางโลกกุตตะละบุคันไ ห, หนขันนึงล่ะจังสัตว์เม น, นที่สุกเอาเผากินอยู่ในวัดต้าสงสารเสว่าตัวได้รับสุขหนึ่งยังว่าท่านทึงทำยังบ่สมตีนบาดยังบุมเบกกดพ่ายหมุกทานะของเบกกดพ่ายหมุกเป็นของสำคัญที่สุด เราสิไปเอาเทบาทมาเทียบกับบอทึกเราสิไปเอาพานักเรียนมาเทียบกับว่าทึกอีกพอคนสืบสาทั้งนั้นเนี่ทั้งเรียนเนี่เอาสืบสาทนาทั้งปฏิบัติเพื่อผนทุกข์ในวัฏฏสงสารโดยดวน เม่นอนใจครับอันใดในโลกเลยย่า ม, มีลาบมียศกับเ่นอนใจในลาบในหยดย่ามเสื่อมลาบเสื่อมหยดกับเม่อนอนใจในการเสื่อมผู้มูนี่มันเป็นสมบัติของโลกมันเป็นสมบัติของสังขาร เนี่มีคนนินทากับบอกว่าสีวันไหวออกกะพุท ธ, ธาศาสนาจะเถือ่อเนี่มีคนสรรเสริญกับหวังว่าสีลรื่มตัวจะเถือ่อคุณคุณจอฟังออกหรือไม่แปลงมังค์คำนะ อ, อันมูน้นนี่มันเมนท้องไผย มาสมมุติว่าประเทศนั่นประเทศนี่ก็สมมูิกันซัวข้าวซื้อดอก <c oughs> ก็เป็นจริ ง, งว่าแมนของไผ <c oughs> เกิดขึ้น แ, นแล้วแฟรป่วนแล้วดับไปไผซิมีอำนาจก็มี่ไปเถิดต่องอยู่ใต้กรรมแล้วผลของกรรมทั้งนั้น เว้นพระอรหันต์จําพวกเดียวพระโสะดามันสกทาข้ามีอนาฆ่ า, ามี่ยังอยู่แต่กรรมเลยผลของกรรมอยู่เว้นพระอรหันต์จําพวกเดียวอตีตกรรมตามมากะมาถึงชามาถึงเตื้นหา่างคือลูกขันน้ำขันพนมโยยมันถือมัน ก็มาถือเตืเ้อนห้างพ้นสลับแล้วพ้นบังส ก, กุลแล้วมาเรียบบังส ก, กุลพ้นซื้อควอมแก่เก็บตายอ่ะเฮ็ดอันใดแน่ วัดใหญ่ซีกีว่านพัดบินธบาตเฮ็ดพ่อเพื่อได้ปฏิบัติสะดวกว่ามันเฮ็ดเพื่อสิติ้อยูอ่ให้ว่าจังสั้นพ่อเดี๋ยปฏิบัติสะดวกัอ น, น ยืนเดินนั่งนอนรับตื่นก็บ่กมันยืนเดินนั่งนอนเพื่อสถิตอยู่พ่อได้ปฏิบัติสะวดวกโน้มมันสี่มาฮัดให้ติดจินติดนั่งติดนอนติดนึกติดคิดจิตไ ด, ด้ติดเสียสิหฮัดปล่อยหัดว่างมัดในคิดในใจนี่วางสั่นอรลดอ๋อ